พัตตุเทสกะสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งพระพัตตุเทศสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพัคคีรับพัตตาหารอันประนีตไว้เพื่อตัวเองให้พัตตาหารเลว